วันนี้เป็นวันพุทธที่สองกันยายนพุทธศักราช2563เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันพระวันธรรมสวนะถือว่าเป็นวันมงคล เป็นวันมงคลเพราะว่ามีการกระทำที่จะทำให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นมานั่นเองความเป็นมงคลก็คือความสุขความเจริญทางจิตใจการอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเป็นมงคลตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำกัน คื อ, อเสวนาจากภาลานังบัณดิตานันจเสวนาแปบลบว่าการไม่คบคนพาลหรือคนง่อหนึ่งสองการครบบัณฑดตคนฉลาดเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตวันพระเป็นมงคลเพราะว่าพวกเรา จะได้เข้าหาบัณฑิตกันนั่นเองบัณฑิตนี้คนฉลาดนี้ที่แท้จริงต้องเป็นคนฉลาดที่มีดวงตาเห็นธรรมคนที่อยู่เหนือความทุกข์คนที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงถึงจะถือว่าเป็นคนฉลาดจริงถ้ายังมีความทุกข์อยู่ถึงแม้ว่าจะจบ ระดับปัญญาเอกก็ตามถ้ายังต้องร้องห่มร้องไหย้ยังมีความทุกข์ความกังวลใจต่างๆอยู่ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตยังไม่เป็นถือว่าเป็นคนฉลาดคนฉลาดต้องรู้จกักกำจัดความทุกข์ของใจให้หมดสิ้นไปคนฉลาดจะไม่ต้องตกอยู่กับความทุกข์ต่างๆ คนฉลาดที่แท้จริง จ, งจึงมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ได้ศึกษาวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปพ อ, อหมดสิ้นไปแล้วท่านก็กลายเป็นบัณฑิตขึ้นมา กลายเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดผู้เตือนผู้เบิกบานเพราะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจอีกต่อไปไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรในโลกนี้เกิดขึ้นกับใครก็ตามกับตนเองก็ตามจะไม่ทำให้จิตใจของท่านนั้นต้องทุกข์ต้องเศร้าหมองอีกต่อไปจะเป็นใจที่มีแต่ความสงบมีความสุขปรามังสุขขังตลอดเวลา บำลมมาสุขนี่แหละเรียกว่าบัณฑิตคนฉลาดคนฉลาดที่แท้จริงต้องเป็นผู้ที่ไม่มีความทุกข์กับเรื่องอะไรทั้งสิ้นถ้ายังมีความทุกข์อยู่ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตยังไม่ถือว่าเป็นคนฉลาดถึงแม้จะเรียนจบจากสถาบันอันดับหนึ่งของโลกได้รับปริญญาเอกได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตหรือปริญญาอะไรต่างๆก็ตามหรือรางวัลอะไรต่างๆก็ตามที่ยกย่องความรู้ความสามารถผู้ที่ได้รับรางวัลเหล่านี้หรือผู้ที่ได้จบปริญญาเหล่านี้ยังเป็นผู้ที่ไม่พ้นจากความทุกข์อยู่ยังต้องร้องหม่มร้องไห้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจ ต้องยังต้องมีความทุกข์ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอยู่นี่แหละคือบุคคลที่เราเรียกว่าคนโง่ถึงแม้ว่าทางโลกจะถือว่าเป็นคนฉลาดเรียนจบระดับปริญญาเอกสามารถทำงานหาเงินหาทองได้เป็น 100, 000, 000, 000, 000, ปร้อยล้านพันล้านก็ตามแต่เงินทองร้อยล้านพันล้านจะมีประโยชน์อะไรถ้าไม่สามารถมากาจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในใจไนดะ้ มีไปก็เท่านั้นมีไปก็ร้องห่มร้องไห้บนกองทุกข์นั่นบนบนกองกองเงินกองทองนั้นยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิตที่แท้จริงบัณฑิตที่แท้จริงนี้ต้องเป็นผู้ที่มีอยู่เหนือความทุกข์ทุกแบบทุกชนิดอยู่เหนือความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดจากการแก่การเจ็บ การตายการพัดพรากจากกันการพบกับสิ so ่งที so ่ไม่ปรารถนานี่แหละเป็นบันดิตซึ่งก็จะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าท่านเหล่านี้ได้บำเพ็ญได้ศึกษาจนมีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าความทุกเกิดจากอะไรและเห็นว่าวิธีที่จะกำจัดความทุกนั้นต้องกำจัดอย่างไรต้องใช้อะไรเป็นเครื่องกำจัดพอได้สร้างเครื่องกำจัดความทุกต่างๆขึ้นมาก็สามารถกำจัดความทุกที่มีอยู่ในใจนั้นให้หมดสิ้นไปได้นี่แหละคือความหมายของบัณฑิต ที่พุทธเจ้าทรงสอนในมงคลสูตรมงคล38ประการมงคลข้อที่หนึ่งก็คืออย่าไปคบคนโง่อย่าไป ค, บ, ค, ไปคบพวกดอกเตอร์ที่จบปริญญาต่างๆอย่าไปคิดว่าเขาเป็นบัณฑิตเขายังมีโมหะอาวิชชาอยู่เขายังมีกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอยู่ ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาคบกับเขาเขาก็จะพาให้เราโง่ไปกับเขาสาเหตุที่ไม่คบไม่ใช่เพราะว่ารังเกียจเขาไม่คบเพราะว่าถ้าคบอยู่ใกล้ชิดเขาเขาก็จะชวนเราไปโง่กับเขาเขาก็จะชวนเราไปหาลาบยศสารเสญไปหาความสุขทางตาหูจมูกกลิ่นกาย พราะในความรู้สึกนึกคิดของเขานั้นเขาคิดว่านี่แหละคือความสุขนี่แหละคือวิธีที่จะทำให้ไม่มีความทุกข์ภายในใจคือให้มีลาบให้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้มียศฐานบรรดาศักดิ์ให้มีการสรรเสริญเยนยอยกย่องและให้มีความสุขจากการได้เสพได้สัมผัส กับรูปเสียงกลิ่นรสโทษพระชนิดต่างๆซึ่งในเบื้องต้นก็จะเห็นว่าเป็นความสุขกันเวลาได้เงินมาทุกคนก็ดีอกดีใจเวลาเวลาได้ตำแหน่งก็ดีอกดีใจเวลาได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆก็ดีอกดีใจเวลาไปเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปดูไปฟังไปลิ้มรสดมกลิ่น ก็เกิดความดี อ, อกดีใจเพลิดเพลินใจแต่มันเป็นความดี อ, อกดีใจแบบชั่วคราวเท่านั้นเองพอสักระยะหนึ่งมันก็จางหายไปเหมือนควันไฟเงินทางที่ได้มามากน้อยเพียงไรที่ให้เกิดความรู้สึกดี อ, อกดีใจนั้นมันก็ไม่ได้ทําให้ดี อ, อกดีใจเหมือนตอนที่ได้มาใหม่ๆ ตำแหน่งที่ได้มาใหม่ๆก็ดีออกดีใจพอได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกเฉยๆรางวัลต่างๆก็เช่นเดียวกันความสุขทางตางหูจมูกลิ้นกายก็เช่นเดียวกันดีใจเดีย ว, ว, เ, ดยวเดียวความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวก็รู้สึกเหงารู้สึกว่าวเวยรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวใดต้องไปหาใหม่มาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ ต้องไปหาเงินมาเพิ่มถึงจะมีความสุขได้ล้านแล้วทีนี้ก็อยากจะได้สองล้านแล้วก็อยากจะได้สามล้านอยากได้ขึ้นไปเรื่อยๆได้ในร้อยแล้วก็อยากจะเป็นในพันได้ในพันก็อยากจะเป็นในพลได้รางวัลปีนี้แล้วปีหน้าก็อยากจะได้รางวัลอีกปีนี้ได้ตุกตาทองคำปีหน้าก็อยากจะได้ ตุกตาทองทาอีกตัวหนึ่งถึงจะมีความสุขตัวเก่ามันไม่ได้ให้ความสุขเหมือนเหมือนตัวใหม่ลนะต้องได้ตัวใหม่ถึงจะมีความสุขอันนี้ก็เป็นความสุขแบบตะคุบเงานั่นเองเหมือนกับเราวิ่งตะคุบเงาตัวของเราเองต่อให้เราตะคุบมันเท่าไหร่ก็ตามมันไม่ทัน มันจะอยู่ข้างหน้าเราอยู่เรื่อยๆเยงาของเราเนะี่ยมันจะทอดไปอยู่ข้างหน้าพอเราเดินเข้าไปหามันมันก็หนีเราไปแล้วความสุขทางโลกเป็นอย่างนี้ความสุขแบบนี้นี่แหละที่ทำให้เรามีความรู้สึกไม่อิ่มไม่พอความไม่อิ่มไม่พอก็ทำให้เกิดความหิวขึ้นมาความหิวก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาแล้ว อยู่เฉยๆไม่เป็นสุขนะต้องออกไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เพราะว่าอยู่บ้านแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวต้องไปเที่ยวต้องไปหาความสุขกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ <Yeah. S 1> อยู่เรื่อยๆ <Yeah. S 1> แต่หาเท่าไหร่มันก็เหมือนเดิม พอเวลาที่ไม่ได้หาก็จะรู้สึกเศร้าส้อยงอยเหงาเหมือนเดิมแล้วเวลาที่ไม่สามารถที่จะหาได้หรือเวลาที่สูญเสียสิ่งที่เราหามาได้ไปก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเงินทองที่หาได้นี้ไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันหมดได้เวลาหมดก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา ตำแหน่งต่างๆที่ได้มาวันใดวันหนึ่งก็อาจจะหมดลงได้เช่นข้าราชการก็พออายุหกสิบปีพอกเกษียณเขาก็ยึดคืนไปหมดตำแหน่งอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นความสุขที่คนไม่ฉลาดจะแสวงหากันแต่คนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอาหาร์ตสาวรนี่ เขารู้ว่ามันเป็นความสุขปลอมเขารู้ว่ามันเป็นความสุขที่จะทำให้ต้องทุกข์ต่อไปจะต้องมีความทุกข์ตามมาวันใดวันหนึ่งเมื่อไม่สามารถที่จะหามาได้ตามความต้องการท่านก็เลยเปลี่ยนวิธีหาความสุขแบบใหม่กันไปหาความสุขอีกแบบหนึ่ง เป็นความสุขที่จะให้ความอิ่มความพอตลอดเวลาเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับจิตใจตลอดเวลาจะทําให้ความทุกข์ต่างๆนี้ไม่สามารถปรากฏขึ้นมาภายในใจได้นี่แหละคือบัณฑิตกับคนพาลคนฉลาดกับคนพาลคนงโง่ คนโง่าหาความสุขปลอมคนฉลาดหาความสุขจริงความสุขที่ถาวรคือความสุขจริงความสุขชั่วคราวคือความสุขปลอมอันนี้ฝนก็จะตกขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็แล้วแต่ท่านที่นั่งฟังอยู่จะทนฟังจะนั่งทนฟังไปได้เรื่อยๆก็ทนไปถ้าอยากจะขยับ ขยายย้ายที่เข้าที่ร่มก็เชิญเข้าขยับได้ไม่ต้องเกรงใจเราอยู่ในสภาพาธรรมจัดสรรนะเราอยู่กับธรรมธรรมชาติก็ต้องยอมธรรมชาติตรงไหนร่มก็เชิญนั่งได้นะทั้งข้างหลังก็มีที่ร่มที่นั่งได้ แต่เราไม่โกรธนะกับธรรมชาตินี่เวลาธรรมชาติไล่เราให้ไปเราก็ไปอย่างง่ายดายไม่ไม่โกรธใครแต่ถ้าใครมาไล่บอกว่านั่งตรงนี้ไม่ได้ต้องไปนั่งตรงโน้นโกรธขึ้นมาทันทีทำไมวะทำไมนั่งตรงนี้ไม่ได้ก <c oughs> ูยาวน้ามาฉีดแบบนี้ก็โกรธกันใหญ่แล้วก็ตีกันแต่พอธรรมชาติฝน ล, ลงมาเท่านั้น ไม่โกรธฝนเลยพระพุทธเจ้าสอนว่าเราอยู่กับธรรมชาติแม้แต่พวกเราเองก็เป็นธรรมชาติแต่เราไม่ละมองตัวพวกเราว่าเป็นธรรมชาติกันดังนั้นพวกเราควรที่จะเข้าหาบัณฑิตกันหาบัณฑิตบัณฑิตก็จะพาให้เราฉลาด คนโง่ก็จะทําเขาก็จะพาให้เราโง่พวกคนโง่เขาก็จะชวนให้เราไปหาลาบยศสารเสริญสุขกันถ้าพบกับบัณฑิตพบกับพระอริยสงสาวกุกพบกับพระพุทธเจ้าเขาก็จะพาให้เราไปหาความสงบกันเพื่อให้เราได้หลุดพ้นจาก ความทุกข์ทั้งหลายนี่คือความหมายของการไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตก็คบกับใครเขาก็จะชวนเราไปตามทางของเขาคบกับคนพาลเขาก็จะชวนเราไปทางโลกไปหาราบยศสารเสริญสุขกันคบกับบัณฑิตเขาก็จะชวนเราให้ไปหาหาธรรมะกันหาวิมุติ หาลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงต้องมาวัดกันในวันพร ะ, ะเพราะวัดเป็นที่อยู่ของบัณฑิตที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่อยู่ของพระอาหารหันตาสาวกท่านอยู่ที่วัดกันอยู่ที่ที่มีความสงบที่ต่างจากบ้านเมือง วัดสมัยก่อนนี้จะเป็นวัดป่าดังนั้นวัดสมัยพระพุทธการนี้จะเป็นวัดป่าจะอยู่ออกนอกเขตของเมืองยังไม่ได้อยู่ในเมืองจะอยู่ท่ามกลางความสงบอยู่กับต้นไม้อยู่กับป่าเขาเพราะที่เหล่านั้นจะเป็นที่จะช่วยทำให้เกิดความสงบสุขขึ้นมาทางจิตใจ วันพระท่านหนึ่งเรียกว่าเป็นวันประเสริฐเพราะเราจะได้เข้าหาผู้ที่ฉลาดผู้ที่จะสอนให้เราฉลาดสอนให้เรามีดวงตาเห็นธรรมกันทําให้เราสามารถเห็นได้ว่าทุกข์ของเรานี่เกิดจากอะไรและเราจะทําให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจนี้หายไปได้อย่างไร แล้วถ้าเราสามารถกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราได้แล้วต่อไปความทุกข์ในใจมันก็จะไม่มีอยู่ในใจต่อไปใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเป็นแบบนี้ท่านมีแต่บลมรุสุข เราบางสุขขังอยู่ตลอดเวลาเพราะท่านรู้วิธีกำจัดเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจนั้นให้หมดสิ้นไปนั่นเองพอไม่มีเหตุที่มาสร้างความทุกข์ใจแล้วความทุกข์ใจก็ไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเหตนั้นเบื้องต้นเราก็ปฏิบัติสองข้อแรกคือ แทนที่จะไปคบกับคนพาลเราก็ไปคบกับมันฑิในเวลาโอกาสที่เราสะดวกยงอยู่ส่วนใหญ่เราก็ยังจะต้องอยู่กับคนโ่วอยู่เพราะคนส่วนใหญ่นี้ยังไม่รู้เรื่องของการดับความทุกข์ของใจของตนว่าดับอย่างไรก็เลยดับโดวยวิธีหาโลกธรรมมาดับ หาลาบยศสาะเสริญสุขมาดับกันซึ่งเราก็เกิดมาอยู่ในวงการเหล่านี้ตั้งแต่เกิดแต่วันวันไหนที่เรามีเวลาว่างไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนต่างๆเราก็ลองแยกตัวเราออกมาไปหาบัณฑิตกันสักวันหนึง่งไปหาพระพุทธรธรรมหรือพระสงฆ์ เพื่อที่จะได้สอนเราให้เราฉลาดสอนให้เรารู้จักวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปนแตพอเรามาวัดแล้วการจะเข้าถึงมันดิตนี้ต้องเข้าอย่างไรพระพุทธเจ้าว่าก็หมาว่าเข้าด้วยการฟังธรรมนั่นเองจาเลนะธรรมสวังและเข้าด้วยการสนธนาธรรม การเลนะธรรมส า, ากัรฉาอเอตัมมังกาลมุตตมังการฟังธรรมตามการตามเวลาการสนทนาธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่ง อ, อันนี้เป็นการเข้าให้ถึงบัณฑิตคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ต้องเข้าด้วยการฟังธรรมด้วยการสนทนาธรรม บางท่านไม่เข้าใจไปวัดก็ไปที่โบสถ์แล้วก็ไปกราบพระพุทธรูปแล้วก็ลากลับบ้านคิดว่าได้มาวันแล้วได้พบบัณฑิตแล้วได้พบกับพระพุทธรูปแล้วอันนี้ยังไปไม่ถึงวัดพระพุทธรูปเป็นเพียงตัวองค์แทนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองไม่ใช่องค์แท้ของพระพุทธเจ้า องแท้ของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ที่คําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ตอนที่พระพุทธเจ้าจะจากไปนี้ท่านได้บอกกับลูกศิษย์ทั้งหลายว่า <Yeah. S 1> พวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราจากศาสดา <Yeah. S 1> เพราะว่าศาสดาของพวกเธอคือธรรมวินัยที่เราได้ตัดไว้ชอบแนละ้ว <Yeah. S 1> คือสวากขาโตพระวตาธรรมโมนี่ ทำต่างๆที่เราได้สั่งได้สอนมาตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันอันนี้แหละจะเป็นศาสดาแทนตถาคตต่อไปถ้าพวกเธอเข้าหาพระธรรมคำสอนพวกเธอก็จะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสนาดัางนั้นการเข้าวัดการเข้าหาบัณฑิตยังต้องเข้าหาที่พระธรรมคำสอน พระธรรมคำสอนก็มีอยู่สองลักษณ ะ, <ฮ>ะคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเน <ฮะ S 1> อันนี้เป็นพระธรรมคำสอนอันหนึ่งพระธรรมคำสอ น, น, นอีกอันหนึ่งก็คือคำสอนที่พระอรหันตสาวกทั้งหลายนำเอามาสั่งสอนนั่นเองอันนี้ก็เป็นพระธรรมคำสอนอีกอันหนึ่งเป็นอันเดียวกัน พระาอารันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านไม่เอาคำสอนของใครมาสอนท่านเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนอคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยสรุปก็มีอยู่สามข้อใหญ่ๆด้วยกันคือหนึ่งให้ละการกระทาบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อสมสให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และคำสอนของพระอาหารตสสาวกทุกๆพระองค์สอนเหล่านี้สอนคำสัพสอนคําสอนเหล่านี้ทั้งนั้นถ้าสอนอย่างอื่นนี้จะถือว่าไม่ได้เป็นสาวกไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราเวลาเราเข้าวัดจริงไม่ได้เข้ามาเพื่อกล่าบพระกราววัด หรือมาถวายข้าวของแล้วก็กลับอย่างนี้ยังถือว่ามาไม่ถึงวัดจะมาให้ถึงว่าต้องได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมจากพระหรือสนทนาธรรมกับท่านบางทีเรามีปัญหาไม่สบายอกไม่สบายใจเนี่ยไปหาพระเถิดถ้าถ้าเป็นพระที่รู้จริงๆท่านจะบอกวิธี สอนให้เราหายจากความทุกข์ความไม่สบายใจได้อย่าไปหาหมอดูอย่าไปหาสินแสยอย่าไปหาข้าเจ้าเข้าทรงอะไรต่างๆพวกนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นบัณฑิต <c oughs> พวกเขาเองผู้ข้าเจ้าเข้าทรงเองสินแสก็ยังต้องทุกข์ยังต้องเศรศ้าโศกเสียใจยังต้องน้องหอมน้องไห้อยู่เหมือนกัน เมื่อเขายังแก้ทุกข์ของเขาเองไม่ได้แล้วเขาจะมาแก้ทุกข์ของเราได้อย่างไรเพานั้นถ้าเรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจนะขอให้เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เถิดวิธีเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือฟังเทศน์ฟังธรรมจากท่านสนทนาธรรมกับท่านนะมีคำถามมีอะไรไม่เข้าใจอยากจะรู้ถามได้นะ ถามแล้วก็จะได้รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเราจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องราวต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนจะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมจะทำให้เรามีความสงบสุขมีความผ่องใสจิตใจผ่องใสเบิกบานขึ้นมานี่แหละคำว่ามงคล วันพระเ ป, เป็นวันมงคลก็มีการกระทําที่จะทําให้เกิดความเป็นมงคลคมีการกระทําที่จะทําให้เกิดความสุขใจการกระทําที่จะกําจัดความทุกข์ใจต่างๆให้เบาบางลงให้น้อยลงไปและให้หมดสิ้นไปได้ความทุกข์ใจส่วนหนึ่งที่เกิดกับพวกเราก็คือเกิดจากการกระทําบาปของพวกเราเองนั่นเอง เวลาทำบาปใจของเราจะร้อนขึ้นมาใจของเราจะไม่สบายใจจะมีความวิตกกังวลหวาดกลัวกับผลของการกระทำบาปบางคนทำบาปไปต้องหลายวันหลายเดือนแล้วก็ยังไม่สบายใจกับบาปที่ตนเองได้ทำไว้มีคนมีคาถามชอบมาถามด้วยว่ารู้สึกไม่สบายใจกับการกระทำผิดของตน ทั้งๆ ท, ที่ทำไปแล้วต้องหลายหลายวันหลายเดือนก็ตามแต่ใจมันยังคาลาคาซังอยู่กับบาปที่ได้ทำน้อย <Okay. S 1> นั่นแหละคือผลของการกระทำบาปจะทาให้ใจไม่สบาย okay. แต่ถ้าเราไม่ได้ทำบาปนี้ควไม่รู้สึกไม่สบายใจที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะไม่มีนั่นเอง okay. นี่แหละที่มาทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องสอน ไอ้พวกเราล่าการกระทำบาปทั้งปวงบาปก็มีแบ่งไว้เป็นสองระดับด้วยกันบาปที่เป็นบาปและบาปที่เป็นผู้สนับสนุนบาปบาปที่เป็นบาปก็คือหนึ่งการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีและการพูดปดส่วนบาปที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำบาป เรียกว่าอบายอบายามุกอบายามุกก็มีการดื่มสุรายาเมลการเล่นการพนันการเที่ยวเตรคว า, ามเกียดค้านและการครบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรเพราะถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราให้เราดื่มสุราเพราะเขาจะดื่มสุรานั่นเอง เมื่อเขาเดื่มตซดาเขาก็ชวนให้ดืม่มเหมถ้าเขาเล่นการพนันเขาก็จะชวนให้เราเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเต่เขาก็จะชวนให้เราไปเที่ยวถ้าเขาชอบความเกียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกียดค้านอันนี้เป็นตัวสนับสนุนให้เราไปทำบาปต่อไปเพราะว่าอบายามุขนี้จะมีแต่ดูดและดูดซับต่างๆของเราให้หมดไปนั่นเอง มีเงินทองมากน้อยเพียงไรเนี่ยถ้าไปเสพอบายามุขนี่เดี๋ยวเสิ้นเนื้อประดาตัวได้ mm hmm. บางคนเล่นการพนันจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัว mm hmm. บางคนเดื่มชรายาเมาจนกระทั่งตกงานไม่สามารถไปทํางาน mm hmm. ไปทำมาหากินได้ mm hmm. บางคนเที่ยวเตะจะไม่มีเงินทองเหลือใช้ต้องไปเป็นขอทาน mm hmm. คนเกลียดข้านก็เช่นเดียวกัน อบายามุกนี้ไม่ได้เป็นเป็นเป็นเหตุของการของการมีรายได้แต่เป็นเหตุของการมีรายจ่ายพอไม่มีเงินทองเหลืออยู่แล้วยังต้องการใช้เงินทองอยู่จะทําอย่างไรก็ต้องไปทําบาปเท่านั้นเองต้องไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นโดยบางครั้งก็อาจจะมีการต่อสู้กันเวลาไปลักขโมย ก็อาจจะมีการฆ่ากันได้นี่แหละอบายมุขเป็นตัวที่จะพาให้ไปกระทำบาปกันแต่ถ้าไม่เสพอบายมุขเนี่ยก็จะไม่มีเหตุที่จะพาจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปเพราะจะมีเงินทองพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นไปลักไปขโมยเงินทองของผู้อื่นมาใช้ทัน อันนี้วิธีป้องกันความทุกข์ใจข้อขอแรกที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรากระทํากันคือให้เราละเว้นการกระทําบาปละเว้นการเสพอบายมุกโดยการรักษาศีลห้าศีลห้าแล้วก็ไม่ใช่รักษาเฉพาะวันพระนั้นควรจะรักษาทุกวัน แต่ในเบื้องต้นสมมุติว่าถ้าเรายังรักษาไม่ได้ก็เอาวันพระเป็นวันวันวันเลิกวันชัยก่อนก็แล้วกันวันตั้งหลักวันเริ่มต้นว่าวันนี้จะรักษาศีนห้าให้ได้ครบบริบูรณ์ทุกข้อตั้งแต่ตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับไปจะรักษาศี่ห้าไว้แล้วต่อไปก็ขยายพอรักษาวันพระได้ก็เอาวันหลังวันพระ พอเรารักษาวันหนึ่งได้เราก็จะมีกำลังที่จะเพิ่มการรักษาให้มีมากขึ้นได้ต่อไปเราก็จะสามารถรักษาได้ทุกวันนี่คือขั้นต้นของการกำจัดความทุกข์หรือป้องกันความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปทั้งปวงไม่ให้เกิดขึ้นมากับใจของพวกเราพอเราละการกระทำบาปได้แล้ว เราก็ไปสู่ขั้นที่สองของคำสอนที่สอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมคือให้เราทำความดีทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นอย่ามัวแต่คิดหาแต่ความสุขให้กับตัวเราเพียงคนเดียวความสุขที่เราหาให้กับเรานี้มันน้อยกว่าความสุขที่เราหาให้กับคนอื่นเวลาเราทำให้คนอื่นแล้วเขามีความสุขนี้เรากลับได้รับความสุขมากกว่า ความสุขที่เราได้จากการไ ป, ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มอะไรกันเราฉะนั้นอยากจะดีความสุขขอเราหาความสุขจากการทำประโยชน์สุขให้แต่ผู้อื่นดีกว่า mm hmm. เสียสละแบ่งปัน mm hmm. มีของใช้มีเงินทองที่เราคิดว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้มัน yeah. mm hmm. เราก็เอา ไปเปลี่ยนให้มันเป็นความสุขดีกว่าคือเอาไปทําบุญนั่นเองถ้าไม่มีเงินทองก็มีวิธีอื่นที่จะทําให้เรามีความสุขได้เรามีร่างกายนี้เราสามารถไปทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นได้เช่นบางท่านมาวัดนี้ก็มาช่วยทําความสะอาดสถานที่ที่ฟังธรรมนี้ก็มีผู้ที่เสียสละมาคอยดูแลรักษา ให้อยู่ในสภาพที่สะอาดที่ใช้ได้อันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันเป็นการทําความดีเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทําแล้วก็ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาหรือบางท่านก็สละเวลามาช่วยทําการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดสดนี้ก็ต้องมีคนมาคอยดูแล จัดการกับเครื่องถ่ายทอดสดต่างๆมีงานที่จะต้องทำเยอะแยะพอสมควรมีโทรศัพท์ที่ต้องคอยชาร์จแบตเตอรี่ต้องมาคอยตั้งขาขาตั้งของเครื่องโทรศัพท์มือถืออะไรต่างๆเหล่านี้แล้วต้องคอยติดตามฟังดูว่าการถ่ายทอดนั้นมีการสะดุดหรือไม่อย่างไร มีปัญหาตรงไหนอย่างไรก็ต้องคอยแก้ไขเพื่อที่จะได้เผยแผ่ทำให้แก่ผู้ที่อยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังกันอย่างสะดวกสบายเป็นการทำประโยชน์อย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลอีกแบบหนึง่งดังนั้นการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้อง ใช้เงินทองเพียงอย่างเดียว uh huh. เงินทองก็สำหรับผู้ที่พอที่จะแบ่งให้กับผู้อื่นได้ก็ใช้ไป uh huh. แต่ถ้า uh huh. อัตคัดขัดสนเรื่องเงินทองจริงๆก็เอาเวลาของเราที่ว่าง น, นี้มาทำประโยชน์ได้ uh huh. ทำประโยชน์ที่เราถนัด uh huh. บางท่านก็ถนัดที่จะ uh huh. ไปเป็นอาสาสมัคร uh huh. ทำงานเป็นจิตอาสา uh huh. ก็ทำได้ uh huh. บางท่านไปเป็นครูสอนพิเศษโดยที่ไม่คิดเงินทอง mm hmm. มีชาวสิงคโปร์ท่านหนึ่งท่านก็วันอาทิตย์ทุกปันอาทิตย์ท่านก็นไปสอนเด็กที่โรงเรียนผูร้รู้สอนให้รู้จักพูดภาษาอังกฤษ mm hmm. เพราะว่าครูที่โรงเรียนเขาสอนตามวายกณ์ตามแกมมาแต่ไม่ได้สอนวิธีพูด mm hmm. เวลาอ่านได้เขียนได้แต่พูดพูดไม่เป็น คนไทยเราส่วนใหญ่พูดไม่เป็นแต่อ่านได้เขียนได้ต้องให้คนที่เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นนี่มาสอนให้พูดมาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหชาวสิงคโปร์ท่านนี้ท่านก็สละเวลาวันอาทิตย์มาสอนเด็กเออันนี้ก็เป็นการสร้างวุฒิสร้างกุศลเพื่อโดยสรุปก็คือทาอย่างไรที่จะทําให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่น โดยที่เราไม่เรียกร้องอของตอบแทนมไม่ไม่ต้องการค่าไม่รับค่าเงินค่เงินทองค่าเงินเดือนหรืออะไรทั้งนั้น<ม>สิ่งที่ได้ก็คือความสุขใจ<ม>ที่เป็นความสุขใจที่ดีกว่าความสุขใจที่ได้จากการไปเที่ยว<ม>ไปทำประโยชน์สุขกับการไปเที่ยวเวลาเท่ากันนี้ความสุขที่ได้กลับมานี้ไม่ไม่เท่ากัน ความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวได้ตอนที่ไปเที่ยวพอกลับมาถึงบ้านหายไปหมดแนละ้วแต่ความสุขใจที่ได้จากการไปทำประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นพอกลับมาถึงบ้านก็ยังอยู่กับเราต่อไปยังทำให้เรามีความรู้จักรู้สึกอบอุ่นใจมีความอิ่มใจสุขใจพอใจภูมิใจที่เราได้ทำสิ่งที่ ท, ที่ที่ยากที่เราเ ไม่ค่อยได้ทำกันทำแล้วก็เกิดมีความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการอยู่เฉยๆบางทีเราอยู่เฉยๆไม่มีเงินทองไปเที่ยวเราก็รู้สึกเหงาว้าเวยู่บ้านไม่มีเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของไปช้อปปิง้งก็เหงาก็ว้าเว เอาเวลาที่เหงาว้าเวนี้ไปทำประโยชน์ดีกว่าไปทำบุญไปสร้างบุญสร้างกุศลดีกว่ามีที่ที่เขาต้องการอาสาสมัครให้เราได้ไปใช้ความสามารถของเร า, เ, าเป็นทำให้เราได้รับความสุขทางใจจะทำให้เราไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหว่ แล้วจะทําทให้เราไม่ต้องไปดินน้นรนหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้มีเงินทองไปเที่ยวไปกินไปดื่มแล้วถ้าบางทีหาเงินหาทองไม่ได้ก็อาจจะทาให้เราต้องไปต้องไปลักขโมยไปไปทำอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายทำผิดศีลธรรมได้ดังนั้นการทำบุญทำกุศลนี้จะทําให้เรานี่ อยู่ห่างไกลาจากการกระทำบาปเ่งทำบุญถ้าทำกุศลมากเท่าไหร่นี่การคิดที่จะทำบาปนี้มันจะน้อยลงไปมันไม่มีเหตุที่จะพาให้เราต้องไปคิดทำบาปกันนี่คือวิธีที่สองในการที่จะทำให้เราไม่มีความทุกข์กันเวลาที่เราอยู่เฉยๆถ้าเราเคยเที่ยวแล้วพอเราอยู่เฉยๆไม่ได้เที่ยวเราจะรู้สึกทุกข์กัน แต่ถ้าเราแทนที่เราไปเที่ยวเรากลับไปทำงานทำบุญทำกุศลเพอเวลาเราอยู่เฉยๆเราจะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหวเพราะความเหงาความว้าเหวมันเกิดจากความอยากไปเที่ยวนั่นเองแต่พอเราเลิกเที่ยวได้เราเวลาเที่ยวไปทำบุญทำกุศลแทนต่อไปเวลาเรา ว่างถึงแม้ถ้าเราไม่ได้ไปทำบุญทากุศลอยู่บ้านเฉยๆเราก็จะไม่รู้สึกเหวายไม่รู้สึกว่าเวเอแล้วมันจะทำให้เราสามารถไปทำบุญไปสร้างไปปฏิบัติทำข้อที่สได้การปฏิบัติข้อที่สคือคือการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ชำระตัวที่เหตุที่มาสร้างความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปนั่นเอง ความทุกข์ใจของเรานี้เกิดจากข้อแรกคือจากการกระทำบาป <alan ะ S 1> สอง เ, ออเกิดจากการที่เราไม่ได้ทำบุญกันแล้วสเกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราแล้ออ And, พอเราได้ทำบุญเราได้ละบาป เ, เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปหาเงินหาทองมาเพื่อมา หาความสร้างความสุขให้กับเราเราก็จะมีเวลาว่างที่จะไปวัดได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมได้เพราะการชำระใจให้สะอ า, าดบริสุทธิ์ก็คือการศึกษาการปฏิบัติธรรมนี่เองซึ่งถ้าเรายังมัวอยู่มัวยุ่งอยู่กับการหาความสุขจากการใช้เงินทองเราก็จะไม่มีเวลาว่างที่จะไปหาเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจัง เราก็จะมัวแต่คอยทำมาหากินหาเงินหาทองพอวันหยุดเราก็จะได้เอาเงินทองที่เราหามาได้ไปหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันไปสนุกสนานเฮฮากันไปซื้อข้าวซื้อของกันแล้วพอถึงวันทำงานก็ต้องไปทำงานกันใหม่ ช, ชีวิตของเราก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทงวงจรหาเงินกับวงจรใช้เงิน จะไม่มีเวลาที่จะออกมาออหาเวลามาศึกษามาปฏิบัติทําได้ออจะละ บ, บาปก็บางทีก็ยากออแล้วก็จะทำบุญก็มีเวลาน้อยออทำได้น้อยออใจก็จะมีแต่ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆมีความไม่สุขอยู่เรื่อยๆออถึงแม้ว่าจะมีข้าวของเงินทองมากมายก็ตามแต่ใจก็ยังรู้สึก อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายอย่างอย่างนั้นอยู่เหมือนกับมันขาดอะไรอยู่ลองไปถามมหาเศรษฐีดิว่าคณรู้สึกคุณเต็มหรือยังพอหรือยังก็มไม่พอหรอกเขายัางรู้สึกขาดอะไรอยู่ต้องทำอะไรอยู่ทำอะไรมากน้อยเพียงไรก็ไม่มีวันอิ่มวันพอถ้าไม่ทำตามที่พระเจ้าทรงสอนคือให้ลาบบาปทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม แล้วก็ชำระใจให้สะอาดบริสุทธ mm hmm. ิ์การจะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ต้องมีเวลา mm hmm. ไปอยู่วัดหรือไปอยู่สถานที่เขาที่มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมที่เขาอาจจะมีการจัดหลักสูตรให้เราไปศึกษาปฏิบัติกัน mm hmm. มีหลักสูตรสามวันห้าวันเจ็ดวัน mm hmm. แล้วแต่ เวลาที่เราว่างมีมากน้อยเพียงไรเราก็ลองไปศึกษาไปปฏิบัติกันได้ถ้าเราไม่ต้องเสียเวลากับการหาเงินใช้เงินอยู่เรื่อยเรื่เราลดการหาเงินได้เพราะเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมากแทนที่จะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองเราก็หาจากการทําบุญทํากุศลต่างๆ เราก็จะมีเวลาว่างที่จะได้ไปศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังการศึกษาปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปโรงเรียนต้องไปเรียนจริงๆจังๆต้องถึงเวลาเรียนก็ต้องเรียนเมื่อเรียนแล้วถึงเวลาปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติถึงจะสามารถชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ การเรียนก็เรียนว่าทําอย่างไรใจถึงจะสะอาดบริสุทธิ์<ม>การจะทําใจให้สะอาดบริสุทธิ์ในเบื้องต้นก็ต้อง <c oughs> มีมีเวลามาปฏิบัติ<ม>ทําที่จะเป็นเครื่องชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์<ม>ก็ทําที่เป็นเครื่องชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราเรียกว่าจิตตภาวนา<ม>จิตตภาวนามีแบ่งอยู่เป็นสองระดับด้วยกัน คือสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเราต้องปฏิบัติจิตสมถะภาวนาก่อนแล้วก็ไปสู่ขั้นวิปัสสนาภาวนาตามลําดับต่อไปและการที่เราจะปฏิบัติจิตตภาวนาได้เราก็ต้องมีเวลาเราก็ต้องกัดตัดกิจกรรมต่างๆไปให้หมดกิจกรรมที่เราเคย ใชในการหาความสุขโดยกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหลายที่เรียกว่ากา ม, มาสุขเราก็ต้องกําจัดมันวิธีจกำจัดมันก็คือต้องถือศีลแปดกันนั่นเองเพืที่จะไปชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้จําเป็นต้องรักษาศีลแปดให้ได้ถ้ายังรักษาศีลแปดไม่ได้มันก็ยังจิตก็ยังไม่ยอมไปปฏิบัติจิตก็ยังอยากจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ จางนั้นต้องมาถือศีลแปดกันให้ได้ก็ถ้าเคยถือศีลห้าแล้วก็ไม่ยากเย็นมาเปลี่ยนศีลข้อที่สามจากอบ ร, รมจากกาเมสุมิฉาจาระมาเป็นอ布拉มจาริยายคือไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครถ้าเป็นศีลห้าก็ยังอนุญาตให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนได้แต่พอมาถือศีลแปดก็ไม่ ไม่เอากิจกรรมนี้ลดกิจกรรมนี้ก็จะได้เอากิจกรรมที่ร่วมหลับนอนกันนี้มาปฏิบัติจิตตภาวนากันนั่นเองแล้วก็ไม่รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วก็จะได้ไม่ต้องมากังวลเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารอาหารเย็นอาหารมื้อต่างๆอีกต่อไปหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะมีเวลาว่าง ที่จะามาใช้ในการปฏิบัติจิตตะภาวนาได้แล้วก็ถือศีลข้อ7คือการละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากมหะลสบและบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังไม่ร้องนำทำเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอภร์ด้วยเครื่องสำอาง ไม่ทำเเผ้าทำผมอะไรต่งตางๆเองแต่ชำระร่างกายให้สะอาดก็พอเราก็ใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายที่สบายต่อการปฏิบัติจิตภาวนาเสื้อผ้าหลวมๆใส่แล้วสบายเยวลานั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะสบายพ อ, อ, อเราละข้อสินข้อที่8ก็คือให้นอนน้อยๆนอนพอต่อความต้องการของร่างกาย ทีาจะทำให้นอนให้ น, อน้อยก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนทุกข์หนาๆเตียงใหญ่ๆเพราะมันจะสบายมันจะนอนมากเกินไปพอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วใจมันยังไม่อยากลุกก็อนอนต่อสองสามชั่วโมงแต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอพอร่างกายตื่นขึ้นมาแล้วมันบอกไม่นอนดีกว่าเจ็บหลังลุกขึ้นมานั่งสมาธิลุกขึ้นมาเดินจงกรมดีกว่า นี่คือศีลแปดที่ผู้ปฏิบัติจิตตภาวนาคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาจาเป็นที่จะต้องอรักษากันให้ได้ถ้ารักษาได้ก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติกันเกือบทั้งวันเลยก็ว่าได้ถ้าอยากจะให้แบบไม่มีอะไรมาสะดุดขวางกันเลยก็ให้ถือ กินมื้อเดียวเลยดีกว่าเอามื้อเช้ามื้อเดียวมื้อกลางวันตัดมันไปเลยเอามื้อกลางวันมารวมกับมื้อเช้าไปเลยพ <Yeah. S 1> อหลังเขาเรียกว่า brunch yeah. breakfast กับ lunch เนี่ยรวมกันเข้าไปเลย yeah. เาะฝรั่งชอบตื่นสายไงตื่นตอน10บโมงมันก็เลยอาหารเช้าเวลาอาหารเช้าก็ผ่านไปแล้วอาหารเที่ยงก็ใกล้เข้ามาแล้วก็เลยเอามันมื้อเดียวนะสองมื้อเลยรวมกันเป็นมื้อเดียวไปเลยผู้ปฏิบัติธรรมก็เอาแบบนี้ได้เอามื้อเดียวเลยทําไมต้องเอามื้อเช้าแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ชั่วโมงก็มามื้อเที่ยงอีกมื้อกลางวันอีกก็มันมื้อเช้าเลยแบบพ่อธุดองเนี่ยครูบาอาจารย์ทั้งหลายนี่ท่านถือเอกาฉันมื้อเดียว หลังจากกลับจากบินธบัลแล้วท่านก็ฉันเลย<ม>ฉันเสร็จแล้วทีนี้เรื่องเรื่องคันขบฉันก็หมดหมดหมดปัญหาไปไม่เนเดี๋ยวต้องนั่งมานั่งรอเดี๋ยวถึงเพย์เลยนะต้องมานั่งฉันเพย์กันเลยนะ<ม>แล้วถ้ามันก็จะเสียเวลาหลายชั่วโมงมแต่ถ้าฉันเช้าเสร็จปั๊บเนี่ยทีนี้ก็มีเวลาว่างที่จะไปปฏิบัติทําได้ตั้งแต่เวลานั้นไปนเลยจนถึงเวลานอนเลย เวลาสี่ทุ่มฉันเช้ากลับมาจากมินทบาทเจ็ดโมงกว่าก็ถึงวันละแปดโมงกว่าก็ฉันเสร็จนะหลังจากนั้นก็เข้าเดินจงกรมบรรเทาความความอิ่มไปก่อนเวลาฉันอิ่มอิ่มนี่ไปนั่งแล้วมันจะหลับต้องเดินจงกรมกันเดินให้ทั้งมันท้องมันเบามันว่างเราถึงค่อยมานั่งสมาธิกันต่อและนี่คือ สิ่งที่เราจะต้องมีก่อนที่เราจะมาภาวนาได้แล้วนอกจากศีลศีลแต่แล้วการจะภาวนาได้เราก็ยังต้องมีทำอีกอย่างหนึง่งก็คือสติถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปกี่ชั่วโมงก็ไม่สงบจะไปคิดทางปัญญาก็คิดไม่ได้เพราะกิเลสมันจะดึงให้ไปคิดทางกิเลสไปหมดเังนั้นเื่องต้นต้องมาสร้างสติขึ้นมาก่อน เพราะถ้ามีสติเราจะควบคุมความคิดได้การ น, นั่งสมาธิเพื่อหยุดความคิดนั่นเองถ้าเราไม่มีสติเราก็จะหยุดความคิดไม่ได้เหมือนกับรถถ้าไม่มีเบรกก็จะหยุดหยุดรถไม่ได้เวลารถมาถึงสี่แยกไฟแดงถ้าเหยียบเบรกแล้วไม่มีบเบรกไม่มีมันก็หยุดไม่ได้มันก็ต้องไปชนกับรถคันหนึ่งันใดการนั่งสมาธิก็เพื่อทาให้จิตหยุดจากความคิดต่างๆนั่นเอง การที่จิตจะหยุดความคิดได้ก็ต้องมีสติคอยหยุดมันงนั้นเบื้องต้นก่อนจะภาวนาก่อนที่จะมานั่งสมาธินั่งทำสมถาภาวนาสมถาภาวนาแปลว่าการทำจิตให้สงบทําจิตให้เป็นสมาธิเรียวกว่าสมถภ า, าวนาวิปัสสนาภาวนาแปลว่าการสอนใจสอนจิตให้ฉลาดให้เห็นไตรลักให้เห็นอริยสัจสี่เป็นงานคนละงานกัน งา น, นเรื่องตอนนี้ต้องทำจิตให้สงบก่อนสอนให้จิตนิ่งให้จิตมีความสุขจากความสงบให้ได้ก่อนแล้วพอจิตมีความสุขแล้วถึงค่อยมาสอนจิตให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่จิตเคยอาศัยให้ความสุขถ้าจิตยังไม่มีความสุขใหม่จิตจะไม่สามารถไปปล่อยวางความสุขเก่าได้เหมือนถ้าเรายังไม่มีรถใหม่เรายังต้องใช้รถเก่าไปก่อน แต่พอเราซื้อรถใหม่ที่ดีกว่ารถเก่าแล้วก็ทิ้งรถเก่าได้ใช้แต่รถใหม่ได้ยัในใดในเบื้องต้นเราต้องสร้างความสุขใหม่ให้เกิดขึ้นก่อนตอนนี้เรามีความสุขเก่ากันความสุขเก่าของพวกเราคือความสุขทางตาหูจมูกริ้งกายนี่เองอเแเวลาเรามาภาวนาเราก็งดไว้ชั่วคราวก่อนด้วยการถือศีลแปดแต่ความอยากที่จะหาความสุขมันยังไม่หมดเราเพียงแต่ ละเว้นไว้ชั่วคราวด้วยการมาถือศิลแปดเพื่อที่เราจะได้มาสร้างความสุขใหม่กันมาสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบกันด้วยการเจริญสติวิธีเจริญสติก็คือให้เรามีอะไรควบคุมให้มีอะไรให้จิตเกาะไว้ให้จิตเกาะไว้เพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งที่เรานิยมกัน ในวงการปฏิบัติของชาวพุทธไทยเราก็คือการใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือการสวดมนต์ก็ได้ถ้าเราสวดมนต์หรือเราบริกรรมพุโทโธไปภายในใจเราก็จะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่มีพุโทโธเราไม่มีการสวดมนต์ใจเราก็จะคิดไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปหาคนนั้นคนนี้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เรื่อยๆ เราต้องหยุดความคิดเหล่านี้ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือด้วยการสวดมนต์ไปอันนี้ทําก่อนที่เรามานั่งสมาธิทําตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาครับนี่สมมุติว่าถ้าเราไปอยู่วัดเราไม่มีภารกิจอะไรจะต้องทําเราก็ไม่ต้องคิดอะไ ร, รเราก็คอยควบคุมความคิดด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึง คนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงอานาคตหให้อยู่กับพุทธโทธพุทธโทธหรืออยู่กับอิทธิพิโสไปถ้าจิตไม่คิดก็อยู่พุทธโทธไนดะ้พอจิตไม่คิดจิตรู้เฉยๆก็ไม่ต้องพุทธโทธแต่พอจิตเริ่มคิดก็ต้องพุทธโทธใหม่เหมือนรถนะ่ถ้ารถมันไม่ไมัน ไ, ไม่ไหลก็ไม่ต้องเหยียบเบรก แต่พอมันเริ่มไหลเราก็ต้องเหยียบเบรกมันอย่าปล่อยให้มันไหลไปถ้าเราสามารถหยุดความคิดก่อนที่เรามานั่งสมาธิได้เวลานั่งสมาธิจิตมันก็จะเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายพอเรานั่งสมาธิเราก็มานั่งดูลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็ดูที่ปลายจมูกไป ไม่ต้องพุทเข้าโทออกก็ได้ดูเฉยเฉยก็ได้ดูลมเฉยเฉยไม่ต้องใช้พุทโทก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้พุทธโทแต่ถ้าอยากจะใช้พุทธโทก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโทรก็ได้หรือจะไม่ต้องใช้ลมก็ได้ใช้พุทโทอย่างเดียวก็ได้บริกรรมพุทโทพุทโทไปอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เราจะถนัดเนี่ยมีสามวิธีด้วยกันพุทโทอย่างเดียวดูลมอย่างเดียว หรือดูลมกับพุทธโธไปพร้อมๆกันหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโธแล้วแต่ความพอใจของผู้ปฏิบัติถ้าใจเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่นานเวลาห้านาทีส0นาทีจิตกร็รวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาได้เข้าสู่ความสุขแบบใหม่ได้ ความสุขที่เราไม่เคยบไม่เคยรู้มาก่อนนี้มันอยู่ในใจของเรานี่เองอยู่ที่ความสงบเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นนัตถิสันติพลังสุขขงังเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขอันนี้พ อ, อเราได้รับความสุขอันนี้แล้วทีนี้ขั้นต่อไปเราก็ต้องเวลาออกจากสมาธิมา เราก็ต้องมาเริ่มสอนใจแล้วว่าต่อไปนี้เราอยากไปหาความสุขแบบเก่าอยาไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆเวลามันจะไปเราก็เอาปัญญามาสอนใจว่าความสุขแบบเก่านี้มันมีความทุกข์ตามมาน ะ, ะเพราะว่าเวลาที่ไม่ได้ไม่ได้เสพหรือไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์นะหรือเวลาสูญเสียความสุขที่เราได้มาไปมันก็จะทำให้เราทุกข์ เป็นความสุขแบบเก่านี้มันจะมีความทุกข์แท้มาอยู่เรื่อยๆแต่ความสุขแบบใหม่นี้ดีกว่าความสุขแบบใหม่นี้มีไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขเพีอย่างเดียวอันนี้เราเรียกว่าขั้นวิปัสสนาคอยสอนใจให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่าให้ความสุ ข, ขกับเรานี้เป็นอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาตมันเป็นความสุขชั่วคราวอ น, นิจจังชั่วคราว อนัตตามันเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเป็นของเราอยู่กับเราไปไม่ได้ตลอดมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเป็นความสุขแบบควันไฟ เ, นเวลามันไปก็ทำให้เราเศร้าทำให้เราเหงาเะฉะนั้นเราอย่าไปหาความสุขแบบนี้กันเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบหรือการหยุดความอยากเพราเราหยุดความอยากไปหาความสุขได้ ความสงบมันก็กลับมา ท, าทันทีโดยที่เราไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้อันนี้แหละที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขไปตลอดทุกครั้งที่เกิดความอยากหาความสุขแบบเกา่าก็ใช้ตายรักมาสอนว่ามันเป็นทุกข์นะมันเป็นสุขตอนต้นแต่แล้วเดี๋ยวมันก็หายไปหมดไปพอมันหมดไปมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปไ้ ค, คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีความอยากที่จะไปหาความสุขแบบเกา่า ต่อไปมันก็จะเลิกพอมันเลิกพอมันไม่มันไม่มีความอยากที่จะหาความสุขแบบเก่าความสงบมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะเกิดขึ้นมา ท, าทันทีโดยที่ไม่ต้องวิ่งไปหาความสงบไปหาความสุขไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าหยุดความอยากได้แล้วความสงบมันจะเกิดขึ้น ท, ทันทีนี่แหละเป็น สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากการที่เราเข้าหาบันดิตได้เรียนรู้วิธีที่จะทำให้จิตใจของเรานี้มีความสุขตลอดเวลาได้เรียนรู้ว่าเราจะไม่ต้องมีไม่ต้องมีความทุกข์กับอะไรทั้งปวงเพราะความทุกข์เรารู้ว่าเกิดจากความอยากของเรานี่เองตอนเราไม่มีความอยากในใจแล้วความทุกข์มันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ต่อไปเหมือนกับไฟมันจะลุกไม่ได้ถ้าไม่มีเชื้อ ถ้าเรากำจัดเชื้อได้ไฟก็จะไม่มีแต่ถ้าเรายังมีเชื้ออยู่ไฟมันก็ยังต้องเกิดลุกขึ้นมาได้อเะนั้นเชื้อของความทุกข์ก็คือความอยากของของใจเองล้วเชื้อของความอยากก็คือความไม่รู้ความความจริงอันนี้เองเราจึงต้องเข้าหาผู้รู้คือพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะบอกให้เรารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรนั่นเองน่าจะใช้วิธีการใดดับความทุกข์ ีิธีดับความทุกข์ก็คือให้ปฏิบัติสข้อคือให้ละการกระทําบาปให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมให้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วรับประกันได้ว่าความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดไปนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะวิวะหาปราปริปุเรติสัตวังเอวเมวะอิโตจินังเตตานังอุปกปติอิชิตังปชิตังตุมหังคิดเมวะสมิจจตุสัพเพปรนตุสังกปาจันโทปนะหะโสยะถามณิชฌติ ละโสยะาสพิติโยวิวัจจันตุ สัพพะโรโขมิฬสัตว์มาเตภวตวันตาโยสุขีทิคายุโกภะภิวาธนสีดิศานิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวัฏฐานติอายุวนโอสุขังภะลา ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเชิญถามได้จะถามด้วยตนเองหรือว่าจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ทางบ้านผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 466ขอขอขอพระทัานโทษค่ะ Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต466 Facebook พ่ออจอสุชาติอภิชาโต53รวม Facebook 519 YouTube 258วิทยุออนไลน์9 Zoom 7ผู้รับฟังหน้ากุติ65รวม858ท่านเจ้าค่ะ ใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ไม่มีก็เอาทางบ้านก่อนก็ได้ค่ะคำถามจากอินบ็อกซ์ค่ะบาปที่แม่ทำลูกในท้องจะบาปด้วยไหมเจ้าคะลูกมาอยู่บ้านแฟนแต่แม่แฟนทำให้โมโ oh, หเลยนึกด่าในใจจำไม่ได้ว่าด่าคำว่าหมาหรือบ้า แตกลัวลูกในท้องจะบาปด้วยตอนนี้ลูกวิตกกังวลมากเจ้าค่ะไม่เกี่ยว ล, ลูกในท้องไม่เกี่ยวกับบาปที่แม่ทํา ค, ค, คนละคนกันถึงแม้จะอยู่ที่เดียวกันเหมือนคนอยู่ในบ้านเดียวกันคนหนึ่งทําบาปอีกคนคนอื่นที่อยู่ในบ้านก็ไม่ได้บาปตามด้วยเฉะนั้นบาปใครบาปมันเรามีกรรมเป็นของของตนกา ร, ร ม, มัศกาเรามีกรรมเป็นของของตน ต้องทำกรรมถึงจะมีกรรมถ้าไม่ทำกรรมก็ไม่มีกรรมลูกที่นอนอยู่ในท้องไม่ได้ทำกรรมอะไรกำลังนอนหลับอยู่อ้าวเยอะทางนี้มีไมโครโฟนให้ทางนี้ได้ คือคือมีหลานชายอยู่คนหนึ่งไม่ค่อยได้ยินเนียน้อยพูดไปพูดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะตัดเสียงใหม้มีหลานชายอยู่คนหนึ่งอะคะ่ะอายุประมาณสิบขวบเเวลาอารมณ์ร้ายเนี่ยชอบตหวาดทั้งพ่อแม่หรือว่าไปถึงคุณปู่คุณย่าปางทีจะเป็นคุณย่าด้วยเนะี่ยบาปเยอะมากเลยคะ่ะก็บาปมันติดมันเป็นนิสัยเดิมติดตัวมามันก็ยังทําบาปเดิมอยู่ต่อไปก็เป็นบาปเหมือนกัน เราเร า, เราวิธีวิธีแก้ที่จะทำได้ก็สอ น, นสอนเด็กเวลาเด็กทำบาปแล้วก็ห้ามเตือนหรืออาจจะลงโทษบ้างถ้าเขาเข็ดลาบก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาไม่เข็ดลาบเขาจะทำต่อแล้วก็ช่วยเขาไม่ได้คุณต้นไม้ใบหญ้า ปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเกลียดครูบาอาจารย์ที่สอนจะแก้ไขแบบไหนดีเจ้าคะท่านสอนท่านชอบชวนให้ทิ้งพ่อแม่ลาออกจากงานมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวค่ะไหนพูดหมายซึ่งปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกเกลียดครูบาอาจารย์ที่สอนจะแก้ไขแบบไหนเจ้าคะเพราะท่านชอบชวนให้ทิ้งพ่อแม่พี่น้องลาออกจากงานมาปฏิบัติธรรมอย่างเดียวรู้สึกกดดันเจ้าค่ะ ก็เปลี่ยนครูบาเราเกลียดทำนีก้ก็เปลี่ยนคนอื่นเลเหมือนเวลาเกลียดแฟนก็เปลี่ยนแฟนได้เนยครูบาอาจารย์ก็เป็นเหมือนแฟนทางทางความรู้เราก็ต้องคบค้าสมาคมกับคนที่เรารักสิหาอาจารย์ที่เรารักเราชอบแล้วก็ได้เรียนจากท่านคุณสุริยา มีผู้ถามข้าพเจ้าว่าการให้ในทางพระพุทธศาสนาเช่นการให้สิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งแก่บุคคลใดก็ตามมีหรือไม่ที่ว่าจะไม่ได้บุญเจ้าคะถ้ายาเพชรมัน ไ, มได้บุญหรือให้ให้เปืนเข้าไปฆ่าคนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ได้บุญดังนั้นการให้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราให้นั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์หรือไม่หรือแม้บางทีเป็นประโยชน์แต่ให้แล้วเขาไม่รู้จักเอาไปใช้เป็นประโยชน์ก็ไม่ควรให้ บางคนถ้าให้เงินไปเพื่อหวังให้เขาไปซื้อข้าวกินซื้อเสื้อผ้าใสา่เขาไปเล่นการพนันไปแทงหวยอย่างนี้ก็ไม่ควรให้ให้นะมัน ถ, ถึงแม้ผู้บุญผู้ให้จะได้บุญเพราะการให้นี่มันเป็นบุญของผู้ให้อยู่แล้วแต่มันกลับไปทำให้เกิดโทษกับผู้รับก็ไม่ควรให้คุณเพชรน้ำหนึ่งขอโอกาสครับ ความสงบในฌานกับความสงบในอริยมรรคแตกต่างกันอย่างไรครับก็ฌ า, านก็เป็นอริยมรรคมันก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรคอริยมรรคก็ต้องมีสมาธิมีปัญนาสมาธิถึงจะถึงจะมีปัญญาเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีปัญญาสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้ภาวนามาย์ปัญญาก็เกิดขึ้นไม่ได้เหรียฌานก็เป็นส่วนหนึ่งของอริยมรรค คุณลกักษณ์ศีลก็เป็นส่วนอย่างมือนกันศีล ส, สมาธิปัญญาเบื้องต้นก็ถ้ายังไม่ได้เข้าอาริยมาร ก, ก็เป็นก็เป็นโลกียาไปก่อนแล้วพอให้เข้าสู่ขั้นอริยมากมันก็จะเป็นอริยเป็นส่วนของอริยมากไปหาแร็คมาดึกแล้วเชิญน้ำเย็นแร็คสา ว, วะจะกลับแล้วเหรอครั บ, บสาวถนะือนะทำใจให้สบายนะตามวัน อ่าดีนะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์น ะ, ะแสงสว่างาไปหาคนหาหมอดูหาอะไรก็เดี๋ยวก็ถูกพาห ล, ลอกให้หลงไปเห็นน ะ, ะ, ะยมเจ้าวางใจทุกเรื่องลูกได้อย่างไรโชกค่ะทำอย่างไรให้ลูกได้เกิดดวงตาเห็นธรรมค่ะ ทำอย่างไรให้ลูกได้เชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนเป็นจริงทุกประการเจ้าค่ะเจ้าลองพูดใหม่อีกทีได้โยมโยมจะวางใจอย่างไรเจ้าค่ะเพราะว่าลูกสาวไม่ยอมเชื่อเรื่องพระธรรมคำสั่งสอนว่าเป็นจริงทุกประการแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องาบาปบุญคุณโทษเจ้าคระ เ อ, อเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาว่าเขาเป็นเหมือนคนหูหนวกตาบอดเมื่อเขาหูหนวกตาบอดจะไปทำให้เขาเชื่อได้อย่างไรออถ้าเขาไม่เชื่อก็ต้องปล่อยเขาไม่เชื่อไปก่อนคนเราไม่แน่หรอกชีวิตัวตขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นออรู้อะไรมากขึ้นเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็เชื่อเองนะ่ะเพราะว่าความจริงมันไม่มีใคร ไม่เชื่อไม่ได้ล่ะเพราะมันจะต้องเจอะอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วเห็นตอนนี้ขอให้คิดว่าเขายังยังแล็กอยู่แม้ว่าร่างกายเขาอาจจะใหญ่ก็ตามแต่จิตใจเขายังยังเล็กอยู่เราก็พยายามป้อนให้เขาไปเรื่อยๆ อ, อย่าท้อแท้อย่าอย่าไปเสียใจอย่าไปโกรธเขาเนีย่ยมีหนังสือธรรมะก็เอาไปวางไว้ในบ้านมีอะไร ทีดีที่เป็นทางทรรมนี่ก็เอาไปไว้เดี๋ยววันดีคืนดีเขาเกิดไม่มีอะไรทาขึ้นมาเขาอาจจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านก็ได้แล้วเาอ่านแล้วทีนี้มันก็จะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งไปเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าธรรมะแท้ๆจริงนี้มีไว้เพื่ออะไรเขาวอาจจะเห็นแต่ภาพที่ไม่ดีภาพที่ทำให้เขาไม่เชื่อเช่น พิธีกรรมอะไรต่างๆที่ทํากันอยู่มันไม่ได้ไปทําให้ความทุกข์ใจเขาหายไปอย่างไรแต่วันใดวันหนึ่งเขามีความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเขาเปิดหนังสือธรรมะอ่านเขา้เขาพอได้อ่านเรื่องอริยสัจสี่เรื่องอะไรขึ้นมานี้ก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อตอนนี้เราทุกข์ใจเพราะเราอยากโน่นอยากนี่พอเริ่มเข้าใจพอละความอยากได้ลดความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไป ทีนี้เขาจะเชื่อเองโดยที่ไม่ต้องไปบังคับเขาให้เชื่อหน้าที่ของเราไม่ได้อยู่ที่จะทำให้เขาเชื่อหรือไม่เชื่อหน้าที่ของเราคือป้อนความรู้ความจริงให้กักเขาให้เขาได้ไปสัมผัสแล้วให้เขาใจของเขาเนั่นแหละเป็นผู้ที่จะตัดสินต่อไปว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนียยังใจเย็นๆบางทีคนเราก็ต้องใช้เวลากว่าจะเชื่อกันได้เนีน อย่างพ่อพระพุทธเจ้านี่ก่อนจะมาเชื่อก็ตอนใกล้าตายเนี่ยพอใกล้าตายพระพุทธเจ้าสอนอริยศาสต ร, ร์สอนตายรักเนี่ยเชื่อพอเชื่อก็ บ, บรรลุเลยบรรลุเป็นท่าเป็นท่าอรหันได้เลยเจ็ดปันก่อนตายเล้วนี่ก็เราก็ทําหน้าที่ของผู้ผู้เป็นแา่ก็คือให้ความรู้กับลูกไปนีส่วนลูกเขาจะยินดีรับหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ต้องมาสร้างโศกเสียใจนะค่ดว่าเขาเป็นเพียงแต่เป็นเพื่อนร่วมโลกกันเทนะั้นคําว่าแม่ลูกนี่เขาเพราะว่าเขามาสายท้องเราเท่านั้นเนะองแต่จิตใจของเขานี่เขาอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรามาเลยก็ได้เขาเกี่ยวข้องกับเราเพียงทางร่างกายเท่านั้นเนะองจิตใจเขาอาจจะห่างไกลกว่าเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในท้องเราก็ได้อยเพื่อนที่เป็นเพื่อนสะอาดช้ำเล็กนี่อาจจะเป็น เป็นเพื่อนที่ใกล้ชิดกับเรามากกว่าลูกที่อยู่ในท้องเราก็ได้เพราะใจของเขามันมันเป็นคนละแบบกันใจของเขาไม่ไม่สนใจธรรมมันก็เหมือนอยู่ห่างไกลกั น, กนถึงแม้จะอยู่ในท้องออกมาจากในท้องของเราก็ตามแต่คนที่สนใจธรรมด้วยกันนี่ก็เหมือนอยู่ใกล้ชิดกันเลยดังันก็ไม่ต้องไปกังวลนะความเป็นแม่ลูกมันก็เป็นเพียงแค่บทละครเท่านั้นเอง ชีวิตนี้มันเป็นเหมือนละครเรื่องหนึ่งบทหนึ่งเดี๋ยวพอตายไปก็จบกันไปก็ผู้สแสดงก็แยกทางกันไปผู้ที่สแสดงเป็นลูกเขาก็ไปเป็นอะไรของเขาใหม่ผัวเป็นแม่ก็ไปสแสดงบทใหม่ต่อไปเห็น mm hmm. ถ้าเราลืมคาว่าแม่ลูกได้เราจะไม่ค่อยเสียใจ mm hmm. เรามองว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกดีกว่า mm hmm. เป็นเพื่อนร่วมโลกโลกโล ก, โลกเกิดแก่เจ็บตายกัน มีอะไรพอจะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปแบ่งเบากันแบ่งเบาความทุกข์ได้ก็แบ่งเบาให้กันไปแต่ถ้าเขาไม่ยินดีที่จะรับก็ช่วยไม่ได้เหมือนเราซื้อเพชรให้เขาเขาบอกไม่เอาเขาเขาอยากอยากจะได้ได้ก้อนหินนี่งก็แล้วไปให้ของดีแต่ไม่ไม่ชอบอยากจะได้ก้อนหินก็ไปหาเอาเองก็แล้วกันเราให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเขาแล้วเราไม่ต้องไปเสียใจ เราทำหนะ้าที่ที่ดีสุดของเราแนละ้วความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเองเลยอยากให้เขาเชื่อให้ได้พอเขาไม่เชื่อก็เลยเสียใจแค่นั้นเองเราก็ต้องดูว่าเขาเชื่อได้หรือไม่ได้เหมือนเราเทน้ําใส่ใส่แก้วให้เขาแต่เขาคว่าแก้วไว้เทก็ไปไงมันก็ไม่เข้าไปสตีเราก็เสียใจเราจะเทน้ําให้ใส่แก้วให้เขาแต่เขาไม่ยอมหงายแก้วขึ้นมา ศรัทธาความเชื her, ่อไม่มีก็เหมือนกับไม่งายแก้วขึ้นมาเขาก็รับน้ําอันวิเศษไม่ได้นั่นก็ใจเย็นๆรอให้เขาหงายแก้วขึ้นมาก่อนแล้วค่อยให้เขาตอนนี้แก้วของเขาคว่ำอยู่ใจของเขาคว่ำต่อธรรมะอื่นตอนนี้เขายังไม่เห็นคุณค่าของธรรมะว่าเป็นอย่างไรก็ให้เขาไปหาสิ่งที่เขาเห็นว่ามีคุณค่าไปก่อนจนกว่าว่าหนึ่งสิ่งนั้นทําให้เขาต้องเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา แล้วเขาก็อาจจะกลับมามองที่ธรรมะมาเอง อ, อีกมิติหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็ได้โอเคคุณลัก์หากถือศีลแปดแต่มีการงานต้องทำขณะทำงานควรกำหนดรับรู้ปฏิกริยาที่ขยับขยื่นและความคิดมุ่งแต่การที่มุ่งแต่งานที่ทำแทนการนั่งภาวนาสมาธิหลับตา ถือเป็นการปฏิบัติถูกทางหรือไม่เจ้าคะก็มีสตินีถูกทางมีสติให้รู้อยู่กับว่าเรากําลังทําอะไรอยู่อย่าให้ใจไปที่อื่นอย่าไปอดีตไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันเลยก็เรียกว่าเป็นการึกสติไปคุณภาสอนขณะนั่งสมาธิจิตอยู่กับลมหายใจแต่ฟังคําเทศของครูบาอาจารย์ไปด้วยแบบนี้เรียกว่า อะไรจ s, Alors, 是是 death, ิตยังอยู่ที่ลมหายใจอยู่ค่ะก็ทำสองอย่างีิฉะนคนยังเลือกอย่างใดอย่างไหนึ่งถ้าจะดูลมหายใจก็ปิดเสียงธรรมใช่ไหมงั้นมันก็มาดึงใจให้ไปเป็นสองนั่งสมาธินี่ต้องการให้ใจเป็นหนึ่งฟังธรรมก็ต้องการให้ใจเป็นหนึ่งฉะนต้องเลือกเอาว่าจะดูลมหรือจะฟังธรรมยาวทั้งสองอย่าง ้องงงย่่่่าาาามมมมมมัััันนกกกก็็ววิิไวไไิไไไไปปลลบบจะดสธผู้ไม่ประสงค์ออกนามควรให้กําลังใจตัวเองอย่างไรดีคะเมื่อธุรกิจที่ทําแย่ลงมากค่ะ อ, อ๋อพอดีเสร็จจะได้ไปบวชได้ปฏิบัติธรรมได้มีมันมีเวลาว่างธุรกิจแย่ลงงานน้อยลงเอเราก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ให่ความจริง การอยู่ของเรานี่มันก็แค่ปัจจัยสี่เท่านั้นะที่จำเป็นถ้าเรายังมีข้าว ก, กินมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใสมียารักษาโรค ก, ก็จะไปทุกข์ใจกับอะไรงานหาเงินหาทองมาถ้าเป็นแทบตายมันมีประโยชน์อะไรเออนไม่ได้หาหามันกลับจะดีกว่าจะได้มีเวลาว่างให้เราได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติธรรมจะดีกว่าจากผู้ไม่ประสองค์ออกนาม ลูกขอถามเรื่องการทำกระถินค่ะลูกจะทำกระถินกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแต่วัดที่แม่ไปขอเป็นเจ้าภาพบอกให้ทางเราไปทำซองกระถินเองซองจะต้องมีตราประทับของทางวัดหรือเปล่าเจ้าคะเพราะแม่บอกว่าทางวัดบอกว่าไม่จำเป็นแต่ลูกคิดว่ามันไม่ถูกต้องขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะค่ะอ๋ออย่าไปทำซองเลยเวลาถอยกถินก็ทาตามกาลังของเรา การจะร่วมไม่ร่วมก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามศรัทธาดีกว่าการทําซองนี่เหมือนกับไปปนเขาเอาตูนไปไปจี้เอาเงินเขาใช่ไหมพอเขาเห็นซองปังเขารีบควักเงินมาใส่ทันทีเลยเขากลัวถ้าไม่ใส่แล้วบาปเข้าใจไหมแล้วถ้าเขาไม่ทําตามศรัทธาเขาก็ควักมา20บาทยัดเข้าไปส่งมา20ซองก็ยัดเข้าไป20บาท20ซองแต่ถ้าเขาศรัทธาดีไม่ดีเขาใส่ไป 2,000 เลย 3,000 เลยซองเดียว ยิ่งเวลาทำบุญนี้ไม่ต้องไปทำซองแจกอันนี้เป็นการไม่ได้เป็นการบอกบุญเป็นการพ้นบุญนะเป็นการบังคับบุญเอ่อยิ่งบอกบุญก็คือบอกว่าเดี๋ยวออกพรรษานี้จะไปทอดกระิ่นที่วันนั้นนะท่านี้พอแล้วคนที่เขามีศรัทธาก็อยากจะทําเขาก็เดี๋ยวขอร่วมบุญด้วยนะอะไรอย่างนั้นมีซองไหมบางทีเขาจะถามห า, หาซองเอง ไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีเดี๋ยวเข้าก็หาซองได้มีก็ไม่จําเป็นจะต้องพิมพ์ว่างานกรถิน่นใครเป็นเจ้าภาพคนนั้นคนนี้วันนั้นวันนี้อันนั้นมันเป็นแบบความรู้สึกนึกคิดของคนคิดทํากันขึ้นมาเองเท่า น, นั้นเองเพื่อให้คนรู้ว่าออกซองนี้ไว้สําหรับไปทอดกรถินที่วัด น, นั้นวัด น, นี้เท่า น, นั้นเปจุดประสงค์แต่ความจริงถ้าเราทําของเราวัดเดียวเราไม่ต้องมีซองไม่ต้องไปพิมพ์อะไรก็ได้ พอเวลาไปพิมพ์ว่าเขาไม่สนใจซองหรอกเขาสนใจของที่อยู่ในซองมากกว่า <laughs> คุณชมพูนุชทรัพย์สินของคนตายเราเอาไปทําบุญคนตายจะได้รับบุญใหม่เจ้าค่ะไม่ได้หล้วนอกจากว่าถ้าเขาให้ก่อนตายให้เราก่อนตายเยนะี่ยเขาก็ได้บุญแล้วการให้ของเขาก็ถือว่าเป็นการทําบุญแล้วเพรนั mm ้น hmm. ถ้าเวลาตายไปทรัพย์สินเ้าทิ้งไว้นี่ก็เป็นเขาก็ไม่มีสิทธิ์แล้ว mm hmm. ดังคนที่มีทรัพย์สินเยอะๆถ้าอยากจะได้บุญนี้ต้องต้องทำก่อนตายถ้าเราให้ตายแล้วให้คนที่อยู่ทําให้นี่ไม่ได้บุญแล้วคุณมลิวันเมื่อเช้าใส่บาตรเห็นในบาตรมีแต่แบงค์และเงินไม่มีอาหารเลยเราก็คิดไม่ดีว่าเราจะได้บุญไหมเจ้าคะที่เราคิดแบบนี้แล้วเราจะบาปไหมเจ้าคะ เขาไม่บาตรงไหนก็คิดไปมันก็มันไม่ดีมันบินระบาดมันก็ต้องมีแต่อาหารมันจะมีแบงก์มีกันก็ก็ไม่ใช่เรื่องของเราพูดตามความจริงมันก็เรื่องของของพระกับคนที่เขาใส่บาตรคนบางคนเขาอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปเตรียมอาหารเขาก็เลยใส่เงินไปแทนก็ได้ถ้ามองโลกในแง่ดีก็มันก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณพงประพัฒน์ ตอนนี้ผมอายุสิบหจะได้บรรลุธรรมตอนไหนครับทำไปเรื่อยจะรู้ผลเองหรือครับแน่นอนพระพุทธเจ้าบอกไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีถ้าทำไม่หยุดไม่หย่อนคุณวาริศการเพ่งจิตกับการเจริญสติเหมือนกันไหมครับเจริญสติก็ให้จิตอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุโทโธพุโทโธ การเพ่งจิตนี้เราไม่ทราบว่าทำยังไงคุณต้นคุณต้นหลิวติดห่วงแม่และลูกแต่อยากออกไปศึกษาธรรมควรใช้ปัญญาตัวไหนตัดเจ้าคะก็คิดถึงความตายวันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันพอเราถึงเวลาก็ต้องมีการพัดทาคจากกันเป็นธรรมดาโวงพ้นจะความพัดทาคจากกันไปไม่ได้ เห็นจากกันตอนเป็นยังดีกว่าก็ยังกลับมาหากันได้เห็นตอนนี้เราอาจจะแยกกันไปชั่วคราวไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมวันรู้แล้วอะไรกลับมาเจอกันได้มาช่วยมาสอนมาบอกกันได้คุณกุลทิดาผลของการทำบุญแล้วก็ไปทำบาปจะเป็นเช่นไรคะมันก็ได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปบุญก็เป็นบัญชีนึงบาปก็เป็นบัญชีนึงมันจะสะสมอยู่ในใจมีสองบัญชีด้วยกัน แล้วพอเวลาตายบัญชีบุญกับบัญชีบาปก็จะมาม า, มาทดสอบพลังกันว่าอันไหนมีมากกําลังมากกว่ากันถ้าบัญชีบาสมีมากกว่าก็จิตก็จะถูกบัญชีบาลดึงไปอบายถ้าบัญชีบุญมีมากกว่าบัญชีบาปบัญชีบุญก็จะดึงจิตไปสว่างคุณชมพูนุชคําถามต่อเนื่องนะคะแล้วทรัพย์สินคนตายถ้าเราเอาไปใช้เราจะบาปไหมคะ ถ้าเขาเป็นของเราแล้วก็ไม่บาปแต่ถ้าเป็นของคนอื่นเขาไม่ให้เราแล้วเราไปยกักยอกมาใช้ก็บาปคุณชีวิตบอยบินเมื่อจิตสงบลงแล้วมีอาการฟุ้งซ่านเกิดขึ้นควรทำอย่างไรต่อไปครับโฆษณาว่าไม่สงบเลยสงบมันจะไปฟุ้งซ่านได้ไงก็ต้องพุทธโธต่อไปดูลมต่อไป ไม่ทราบว่าความสงบแบบนั้นเป็นยังไงความสงบแบบรุ่งซร้างก็ดีเหมือนกันนะมันอยู่ด้วยกันได้เหรอเรลองมีคําถามเราเหรอตอนี้มีใครอยากจะถามอีกไหมมาจากที่ไหนกันมาด้วยกันหรือ่าไม่ได้มาด้วยกันอืมฮะก็ดีก็ปล่อยเข้าไปเป็นเหมือนนกก็แล้วกัน เนื้อความมันโตมันก็บินของมันไปก็ช่ว ย, ย, ยไม่ได้จะทำไงมันเขาไม่ยอมฟังเราร่างเลยใช่ไหเราต้องปล่อยเขาไปหาทางของเขาเองถ้าเขาฉลาดเ้าก็คงจะเขารู้จักหาทางของเขาเองถ้าเขาไม่ฉลาดก็เป็ น, เ ป, นเป็นผลของความโง่องของเขาก็ช่วยไม่ได้ก็มองในแง่ดีก็ดีเขาจะได้ไม่ต้องมาเป็นทารากาับเราอีกต่อไป แล้วก็อยู่กับเราเราก็ยังอาจจะต้องคอยเป็นภาระคอยดูแลเขาดูคอยเลี้ยงดูเขาลูกบางคนก็ไม่ยอมโตซะทีอายุเท่าไหร่ก็ยังเกาะพ่อแม่กินอยู่นั่นนะแล้วแบบไหนดีเจ้าลูกที่เกาะพ่อแม่กินหรือว่าลูกที่ไปพึ่งตัวของเขาเองได้เห็นถ้าเขาพึ่งตัวเขาเองได้ก็ควรจะอนุโมทนาสาธุแล้วดีถ้าพึ่งตัวเองได้ก็ดี mm. Mm. คนคเราบางทีก็ต้องปล่อยให้เขา พิสูจนยความสามารถของเขาอย่าไปกังวลมากจนเกินไปบางทีเขาฉลาดกว่าเราก็ได้เก่งกว่าเราก็ได้ฉะนั้นก็ปล่อยเขาไปให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าเป็นยังไงต่อไปแต่ให้ถือว่ามันเป็นอนัตตาสำหรับเราเขามันเป็นอนัตตาสำหรับเราคือเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้เราก็ต้องไปตามตามพลังของเขาตามวาระจิตของเขาอ่า โดดบัมเบียค่ะเปี๊ยงที่บ้านนะคะเพราะว่ามันแบบกลัวว่ามันไปกัดพ่อพ่อแม่อะไรท่นโดดแหลค่าบาดมากเลยค่ะไมายถึงกัดกันมคือคือไปเตี๊ยงที่บ้านนะคะตี๊ยงที่บ้านยุงขยุงค่ะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะไปกัดพ่อถ้ามันตายก็บาดไปเลยคุณแนนถ้าอยากออกกําลังกายทุกวัน แต่ขณะออกกําลังกายก็พุโทโธไปด้วยอย่างนี้เป็นกิเลสไหมเจ้าคะเป็นเนอะทำได้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปออกกําลังกายก็เพื่อดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์พุโทโธก็เป็นการออกกําลังใจให้ใจแข็งแรงสมบูรณ์เห็นทําควบคู่ไปด้วยกันได้อยาก็ถามอะไรเลยอ่อาทำไมไปเอาหน้ากากออกก็ได้นะาสาวธรรมส ก, การกจ้าค่ะไม่ต้องก็ได้ ไอยมเคยเกิดสภาวะคือช่วงช่วงที่ป่วยหนักค่ะพรออาจารย์คือสภาวะที่จิต ด, ดับยมอยากทราบข อ, ของของของจุดจุดจุดที่ยมปฏิบัติมาแล้วค่ะที่ที่สภาวะร่างกายที่เราจะตายอะค่ะคนจะตายยมผ่านจุดนั้นมายมอยากทราบว่า ช่วงนั้นโยมไม่ไม่มีความคิดอะไรนะคะอาจารยา์โยมว่ารู้ว่าโยมจะตายในในไม่กี่นาทีสภาวะจิตคือโยมโยมดูลมหายใจค่ะที่โยมปฏิบัติมามันถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบน<ล>ะแต่รล้วถ้าทำใจเฉยๆได้ก็ถูกค่ะแล้วแล้ ว, แ ล, วแล้วลมหายใจอ่ะที่โยมปฏิบัติมามันละเอียดมากค่ะอาจารย์<อ>ละเอียดแบบ เข้าออกรู้รู้สภาวะรู้ว่าเข้าออกเข้าออกเข้าออกแล้วมันเหมือนเหมือนรวมมาค่ะพระอาจารย์เดจโยมไม่ทราบว่ารวมยังไงจิตนิ่งจิตสงบเสร็ใช่ไหมคะพระอาจารย์ถูกใช่ไหมคะเดินไปดเบรคขาได้ได้แไปแบบนั้นก็แล้วมันมันปวดปวดสภาวะปวดโยมรู้ว่าปวดค่ะปวดมากคนใกล้จะตายโยมรู้เลยว่าอ๋อเพราะแม่ครูบาอาจารย์สอนเรามา เพื่อสิ่งสิ่งนี้เจ้าค่ะกรใจนยแล้วไม่ทุกข์กับมันใช่เจ้าค่ะคือเหมือนเหมือนแบบจิตอีกจิตจิตอีกอีกจิตจิตแบบเจ้าเจ้าค่ะเหมือนเหมือนเรลมมองดูความปวดปวดเอารู้ว่าปวดเจ้าค่ะพอมาเจอสภาวะเหมือนเหมือนคนมาสกิดหรือหมอมาตรวจเน่ะมันก็ปวดขึ้นมาทันทีเขาขึ้เหมือนเหมือนเราเขาเรียกสภาวะอะไรครับแบบเขกลับมาสู่สภาวะปกติเจ้าค่ะกลับมายึดติดกับร่างกายใหม่ เจ้าค่ะงั้นก็พยายามอย่าไปยึดไปติดดูมันไปแยกมันออกกายก็เป็นอย่างเวทนาก็เป็นอย่างหนึง่งจิตผู้รู้ก็เป็นอย่างเจ้าค่ะต่างคนต่างทำหน้าที่ไป ห, หน้าที่ก็ปล่อยร่างกายก็ปล่อยให้มันหายใจไปจเวทนาก็ปล่อยให้มัน ป, ปวดไปจ่าจก็ดูไปทค่งเองดูด้วยสติดูด้วยอุเบกขาไปเจ้าค่ะ แล้วก็จะสบายไม่มีปะนะัญหาต่อไปก็จะไม่กลัวตายด้วย ค, ความตายก็มีท่านนี้าค่ะไม่มีอะไรมากไปกว่า น, นี้อสภาวะแต่โยมก็ไม่เมื่อก่อนโยมไม่เข้าใจอะค่ ะ, ะเหมือนโยมบังคับตั้งแต่เล็กค่ ะ, อ, ะอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือคุณคุณยา่าจะดึงไปถือศีลแปดทุกวันไหนที่มีมีเรียนอะไรเงี้ยค่ะตั้งแต่เล็กแต่โยมก็ห่างมาแล้วมาเจอมีครอบครัวในสภาวะเนี่ยความตายเข้ามาโยมถึงรู้ว่าอ๋อคุณค่าของปั ทำพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นงี้เองแบบโยมซึ้งแบบเป็นที่พึ่งทางใจเจ้าค่ะทำมองสะระนังกระฉามนี้เจ้าค่ะธรรมโอสถเนี่ยเจ้าค่ะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมีธรรมโอสถไม่ต้องมียาอะไรก็ได้เจ้าค่ะเหมือนแบบมันไปเหมือนแบบตายหายได้มันตายไปเจ้าค่ะอ เจ้าค่ะอันนี้อันนี้ถูกใช่ไหมเจ้าค่ะถูกแล้วลมหายใจแต่แต่ความความความในตอนที่จะตายเหมือนเหมือนไม่ไม่คิดอะไรไม่มีความคิดนะคะเจ้าค่ะไม่มีเยเจ้าค่ะแล้วตายเจ้าค่ะอานาตตาทําอะไรมันไม่ได้เหมือนฝนตกตกก็หวานมันตกไปเจ้าค่ะเราก็อยู่ของเราไป ท า, างไปทางอยู่กันไปยังบอกวยยังมีโ อ, อกาสได้มาแบบได้มาปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งที่แบบมันเหมือนผ่านการตายมามพยายามรักษาแบบนี้ไว้ไปเรื่อยๆกับชีวิตต่อไปแม้กระทั่งไม่ได้ภาวนาเจอเหตุการณ์ก็ทําแบบนี้เหมือนกับทุกอย่างเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปบังคับเขาไม่ได้เหมืนอนโยมเมื่อกี้เศร้าใจทุกใจเพราะอยากให้ลูกเป็นไปตามที่ตนเองสอนหรืออยู่ห่วงลูกกังวลอะไรต่างๆ ไปไปห่วงก็ทป็นห้ามของไม่ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะมันกับร่างกายเราแล้วก็ไปห้ามมันไม่ได้มันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปเจ้าค่ะดีแล้วแหละนะเจ้าค่ะนำมาใช้กับทุกอย่างได้หมดนอกจากร่างกายเวทนาแล้วก็อารมณ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันเจ้าค่ะคอยมากระทบแรงๆเหมือนหน้าที่การงานหรือผัสสภาวะคนที่พูดแรงๆใส่เราอย่างเงี้ยมันก็เหมือนมันมันก็เหมือนไม่ฟิกแบกกลับเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่ได้เลยเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าบอกให้สัจตะว่าเห็นสัจตะว่าได้ยินสัตจะสตะว่ารู้จ้งค่ะโอเคนะมีแล้วแหละมาถูกใช<า>นะ้เลยข่านาทีมีไหมคุณไกลสัน มีวิธีหนีภูไหมครับพระอาจารย์วิธีอะไรนะหนีภูค่ะหนีภูค่ะไม่รู้เหมือนกันอันนี้มาผิดที่้วถามถึงช่องนะหมดแล้วเหรอหมดแล้วก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติ